ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะกล่าวถึงสังขารูปติสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติให้สำเร็จตามความปรารถนาพระธรรมเทศนาในประสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อเสด็จประทับณประเชศตะวัน อันเป็นอารามของนาจิปินทิกะเศรษฐีในเมืองสาวัตีได้เริ่มต้นพะสูตรว่าในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าลูกกรภิกษุทั้งหลายเราจะถาโคตจักแสดงความเกิดขึ้นแห่งสังขารแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร น, นั้นจงใส่ใจให้ดีเราตถาคตจะกล่าบต่อไปพิะสูต์ทั้งหลายก็กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่าข้อความในตอนต้นนี้มีข้อที่จะพึงทำความเข้าใจอยู่บางประการประการแรกก็คือเหตุเกิดของพระสูต ประสูตรอันเป็นพระพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนั้นจะมีเหตุเกิดอยู่4ประการด้วยกันประการแรกคือเกิดด้วยอัตยาสัยของบุคคลอื่นซึ่งหมายความว่าบุคคลอื่นต้องการคือมีพื้นฐานที่จะเรียนรู้จะเข้าใจธรรมะในเรื่องนั้นนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะแก่เขาเหล่านั้นเป็นการคล้อยตามอัตยาสายของผู้ฟังเมื่อก็ฟังไปแล้วก็ได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการฟังข้อนี้พึงดูตัวอย่างพระธรรมเทศนาเป็นมากเช่นทรงแสดงเรื่องไฟสามประการแก่ท่านปุราณชดิน ที่ได้กล่าวมาในอาทิตตปริย า, าสุตก็เป็นการคล้อยตามอัตยาศัยของท่านเหล่านั้นเพราะท่านมีความคุ้นเคยมีความเข้าใจเรื่องไฟในด้านาต่างๆเมือ่อรู้แต่เจ้าเปลี่ยนไฟภายนอกมาเป็นไฟกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้ท่านต้องทรมานตัวเองตรงอย่างกิเลสต้องขนทายเป็นต้น ฉันก็เกิดความทราบซึ้งความเข้าใจในเวลารวดเร็วเดวบรรลุกมรรคผลไปได้ด้วยประธรรมเทศนาเพียงกันเดียวประการต่อไปนั้นเป็นการเกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองคือมีพระประสงค์จะแสดงหลักการต่างๆแก่พุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสเช่นนั้นจะรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายให้มาประชุมกันก่อน เราจะรับสั่งเตือนให้ท่านเหล่านั้นเสรียมกายเตรียมใจที่จะฟังเรื่องซึ่งพระองค์แสดงและพระองค์ก็จะแสดงเรื่องนั้นๆั้นประศูนย์อีกแนวหนึ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเช่นทรงแสดงกรณยเมตสูตร เพราะมีเรื่องภิกษุถูกอามานุษย์รบกวนหรือทรงแสดงอหิราเชสุเพราะมีภิกษุรูปหนึ่งถูกงู ก, กัดเป็นต้นอีกแนวหนึ่งจะเป็นการแสดงตามคำถามของคนืคอมีคนก็ามากราบทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงเรื่องเหล่านั้น ในการแสดงประเด็นที่สีนี้เป็นเรื่องน่าทึ่งและอจจะจัศจรรย์เหลือเกินตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายและก็ชัดเจนมากคุ้นเคยสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็คือเรื่องมงค ล, ลสูตรมงค ล, ลสูตรนั้นเทวดามากราบทูลถามว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากาันคิดมงคลเป็นเวลานานถึงปี ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นมงคลขอให้พระองค์ตรัสบอกมงคลแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามปั๊บมาก็ตอบปุ๊บไปเลยเป็นบันไดวิ่งขั้นตามขั้นตอนต่างๆถึง38ขั้นด้วยกันโดยโดยไม่มีการเตรียมหรือการจัดไว้ก่อนแต่เรามามองกันในแง่ของปัจจุบัน ก็จะเห็นความอัศจรรย์นในการเรียงลำดับธรรมะคือเป็นระบบพัฒนาชีวิตสามชั้นชั้นแรกก็คือพัฒนาตนเองชั้นที่สองเป็นการพัฒนาครอบครัวและจิตใจชั้นที่สามก็คือทำความสงบให้เกิดขึ้นจิตใจจิตใจจนถึง ร, รู้แจ้งในอริยสัจทั้งสีประการบรรลุมรรคผลนิพพานไปเลย ด้วยประสูรเพียงสูตรเดียวนั้นจะทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติบรรลุถึงนิพพานได้แต่ในขณะเดียวกันทุกขั้นตอนที่ส่งแสดงจะจบลงด้วยคำว่าเอตมังคารมุ ต, ตมังนี้คืออุดมมงคลซึ่งก็หมายความว่าบุคคลสามารถที่จะปฏิบัติในมงคลเหล่านั้นแต่ละชุดแต่ละชุด ให้ตนได้ประสบอุดมมงคลในขั้นนั้ น, น, นยังไม่สามารถทำอะไรมากก็ไม่คบผ่านคบบัณฑิตบูชาท่านผู้ปวนบูชาก็ชื่อว่าเป็นการประสบอุดมมงคลระดับหนึ่งแล้วหากมีชันทะอุตสาหาสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็ปฏิบัติสูงขึ้นไปเรื่อยๆผ่านขั้นใหญ่ๆสามขั้นเป็นขั้นย่อยยี่สาขั้น เรียกว่ามงคล38ประการพระธรรมเทศนาข้อนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีที่สาที่สองคือเกิดขึ้นด้วยอัติยาสายของพระองค์เองที่มีรับประสงค์จะชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบถึงการเกิดขึ้นแห่งสังขารที่นี้คำว่าสังขารนั้นเรามากักได้ยินได้ฟังกันในที่ต่างๆทั่วไป แต่ก็ต้องเข้าใจว่าสังขารในที่นั้นๆพูดถึงเรื่องอะไรสังขารบางอย่างเราหมายถึงสิ่งที่มีใจครองกับไม่มีใจครองเป็นการเรียกรวมรวมเรียกโดยสรุปลงไปแต่ว่าสังขารบางอย่างนั้นเป็นเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลเช่นสังขารในขันห้า แต่บางอย่างเป็นรูปของชีวิตทิวบัตในกติในภพนั้นนั้นคำว่าสังขารในที่นี้จึงหมายถึงรูปของชีวิตที่มีความประณีตสูงขึ้นไปโดยลำดับโดยอาศัยสังขารคือกุศลธรรมเป็นตัวสร้างขึ้นและในที่นี้ ได้แสดงถึงปฏิปทาคือข้อปฏิปัติที่บุคคลให้สาเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาที่ช่วยคนสามารถสาเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาได้และที่น่าสังเกตขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าตลอดทางที่ทรงแสดงประสูตนั้นทรงใช้ธรรมะเพียง5ข้อ ให้บุคคลประพฤติปฏิบัติและทรงยืนยันว่าผลอันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะทั้งห้าข้อนั้นจะทำให้บุคคลได้ชีวิตได้อันตรภาพได้ฐานะที่มีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับพูดโดยํำนวน ง, ง่ายๆก็คือว่าเป็นมนุษย์สมบัติคือสมบัติอันพิเศษสูงสุดในหมู่มนุษย์ เทวสมบัติคือสมบัติในโลกสวรรค์การบังเกิดเป็นเทพปบุตรในชั้นนั้นๆในฐานะนั้นๆพรหมสมบัติการอุบัติบังเกิดเป็นพรหมทั้งด้วยอัตภาพร่างกายและในชั้นของจิตใจโดยสายโครงสร้างพระธรรมเทศนาแบบเดียวกั น, นเริ่มต้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฟิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัท ธ, ธาศีล ส, สุตะจากขะปัญจาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉชนไหนหนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มาสารเธอดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้จงอมไปไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนีมักนี้ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งกษัต ร, ริย์มหาราชและทรงทรงอาศัยโครงสร้างเดียวกันนั่นเองแสดงว่า ด้วยอาศัยธรรมะทั้ง5ประการนี้จะทำให้บุคคลเป็นบังเกิดเป็นพรามหาสานเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงเทวดาในชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมมาราดีและชั้นปรินิมิตวัสวัตดีตลอดถึงการไปบังเกิดเป็นพรหมในภพใดภูมิ น, นั้น ดันั้นประเด็นที่น่าศึกษาทําความสนใจตอนต่อไปก็คือว่าเรื่องของป ร, ร, รมเทศนาที่ทรงใช้คำว่าภิกษุได้โปรดเข้าใจว่าภิกษุนั้นโดยความหมายทั่ ว, วไปแล้วหมายถึงใครก็ตามที่มีพื้นอธัธยาศัยมองเห็นโทษภัย ในสังสารวัตรมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณว่าเป็นคุณผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุอีกประการหนึ่งก็คือการภิกษุด้วยการบรรพชาบทสมบทอย่างที่ทราบกันดังนั้นในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้วข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงสาธารณะทั่วไป แก่บุคคลทั้งหลายในพระพุทธศาสนานี้และแม้ในโลกนี้ตอนนี้พระอาศัยความเป็นสากลแห่งธรรมประการแรกก็คือศรัทธาศรัทธาคืออะไรศรัทธาคืออาการน้อมใจเชื่อในวัตถุในบุคคลในเรื่องราวที่ควรแก่การเชื่อถือ เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะมีความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในจิตใจมีความเชื่อมั่นอย่างลงอย่างมั่นคงในวัตถุในบุคคลเหล่านั้นโดยเฉพาะในที่นี้ก็คือความศรัทธาเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งข้อนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบอยู่เสมอและพบบ่อยๆ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการศึกษาก็ดีการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ดีนั้นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้ก็คือการเชื่อมั่นในการศ ส, สรูของพระพุทธเจ้าในพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะก็ดีไสศสกขาก็ดี ข้อที่ควรละควรบาเพ็ญที่มีชื่อต่างๆนั้นเป็นคำสั่งสอนของพระองค์ถ้าผูธศาสนาสนิกชนเสียสูญในเรื่องความศรัทธาเชื่อถือต่อการตรรู้ของพระพุทธเจ้าต่อพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะกลายเป็นตะปูตรึงใจอย่างที่เคยบอกไว้ในเจตัวขีดสุด พอจะตอกใจบุคคลให้ติดอยู่กับที่ก้าวไปไม่ได้จเจริญเติบโตไม่ได้แล้วในที่สุดก็จะป่วยเยน้าผูพังไปตามกาลเวลาเหมือนบุคคลเอาตาปูไปตอกไม้เอาไว้ไม้ก็ขยับขยือนไม่ได้และจะป่ยเน้าปูพังอยู่ทั้งตะปูทั้งไม้ศรัทธาคือความเชื่อมั่น ในพระคุณของพระพุทธเจ้าก็คือการเชื่อมั่นในพ <c oughs> ระคุณที่เราสวดสาทยายกันนั่นเองแต่จะต้องอาศัยการยกขึ้นแต่ละบทขึ้นพิจารณาให้ประจักษ์แก่ใจเข้าถึงใจมีความผ่องใสไม่มีความเคลือบแครงในคุณแต่ละบทซึ่งพระคุณเหล่านั้น ถ้าแปลโดยอาศัยบาลีแล้วกลับแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นบทสาษาท ย, ายที่กินใจให้ความสงบให้ความเยือกเย็นให้ปีติราบส่นเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเริ่มต้นด้วยคำว่าอีทีปิโสพกวาแม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า อรหังเป็นพระอระหันต์สมาสมพุโทโธเป็นผู้ศัสรดีศัสรูชอบด้วยพรองเองวิชาจรณะสัมปัโนโนทรงสมบูรณ์โดวยวิชาและจรณะสุกโตสเสด็จไปดีแล้วโลกะวิถูทรงรู้แจ้งโลกอนุตรโรปริสธรรมสารถิทรงเป็นสารถิผู้ฝึกปุรุอย่างยอดเยียม ไม่มีสารถิอื่นจะจริงไปกว่าสถาเดวะมนุษยานั้นทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้ปลุกบุกคคลอื่นให้ตื่นเป็นผู้รู้พระกวาเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้มีโชคดังนี้ใจความแห่งพระพุทธกุลต่ระบทนั้น มีนัยยะที่ลึกซึ้งพิสดารเมื่อศึกษาพิจารณาไปก็จะเป็นการเชื่อมโยงพระธรรมทั้งหมดเข้ามาอยู่ในพุทธคุณได้ต่ส่วนมากแล้วเราจะกล่าวถึงพระคุณสามประการยงบทธรรมวัตเช้าที่เราสุดกันพุทโธสุสุโธกรุณามหาันตภพุทโธก็คือทรงศัสรู อันแสดงให้เห็นถึงพระปัญญากุลของพระองค์สุสุโธก็ทรงมีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหมายถึงมีพระบริสุทธิ์ที่คกรุณามห h a n a v o ีความกรุณาดุดว่องมหานรกก็คือพระกรุณาคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าที่หลากหลายออกไปนั้นจึงสรุปได้เป็นสามประการ คือพระปัญญาคุณบุคคลจะต้องเชื่อในปัญญาเครื่องศัสรูปของพระองค์พรรมเทศนาทั้งหมดทั้งส่วนทีละหวรละและควรบำเพ็ญเป็นการแสดงตามพระปัญญาของพระองค์ที่ได้ศัสรูปมาและในการแสดงนั้นก็แสดงด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งภายในพระทยัยโดยจิตใจที่กรอบด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อให้สาวประสาททั้งหลายเหล่านั้นได้รู้ได้เข้าใจอย่างที่เราสวดยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระพุทธองค์เอาไว้ว่าพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกได้ทรงบำเพ็ญเพียร เ, เพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในทรงสาจสัตว์อนุสสรสมาสัมโพชิยานแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นก่อนจะจัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีพระไัยแนว่วแนว่แนมั่นคงที่จะให้พระองค์มีโอกาสช่วยเหลือมวลมนุษยชาติทั้งหลายหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสแสวงหาธรรมะที่เป็นประโยชน์มาแนะนำสั่งสอนแก่บุคคลทั้งหลาย เพื่อธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลอำนวยความสุขให้แกเ่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องของความกรุณาความบริสุทธิ์และปะัญญาบุคคลจะต้องเชื่ออย่างมั่นคงในจุดนี้ในประเด็นนี้อภะบารต่อไปก็คือศีล ใดแกกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาให้เห็นถึงสิ่งทั้งหลายจึงสามารถจะคิดโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ประการกระทําอันใดที่คนอื่นเขากระทําต่อเราเราไม่ชอบเมื่อเรากระทาต่อคนอื่นเราก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันคิดได้เห็นได้เช่นนี้ กงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำให้สิ่งซึ่งเป็นการเบียดเบียนประทุสร้ายบุคคลอื่นอาการที่ปรากฏออกมาก็เป็นความปกติทางกายทางวาจาผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็คือเจนความเยือกเจนซึ่งอานิสงค์คือผลดีของสีนั้น บุคคลจะมองเห็นได้ในแง่มุมต่างๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าศีลเป็นอาพอรอันประเสริฐศีลเป็นกำลังอย่างยอดเยี่ยมศีลเป็นเกราะอย่างมหัศาลศีลเป็นอาวุธอย่างสูงสุดซึ่งแต่ละอย่างนั้น บุคคลสามารถที่จะใช้ปัญญาปีนิพิจนาเห็นได้สิ่งเหล่านี้บางอย่างพูดถึงผลเช่นสีลังบลังอัปปิมังสีเป็นกำลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นั้นคือสีในฐานะที่เป็นเหตุทาหน้าที่ขจัดกิเลสบาปธรรมซึ่งมีกำลังรุนแรงทะลักล้นออกมาควบกลุ่มอาการกายวาจาของบุคคล ให้กระทาในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่เมื่อศีลมีอยู่ศีลจะเป็นกําลังปิดกั้นกระแสความรุนแรงเหล่านั้นเอาไว้รักษากายวาจาของบุคคลให้ปกติศีลเป็นอาวุธอย่างยอดเยี่ยมแสดงถึงศีลที่ทําหน้าที่เป็นเหตุ คือทำลายบรรดากิเลสดังกล่าวแล้วฆ่ากิเลสดังกล่าวแล้วสีลางอาภารณังเศษถังสีลเป็นอาพร อ, อันประเสริฐคือเครื่องประดับอันประเสริฐแสดงถึงผลของสีลซึ่งบุคคลผู้มีสีนมีความเป็นผู้ดีมีอาการกายวาจาส ง, งบงงเงียบ จะลุกจะนั่งจะเดินจะพูดก็อยู่ในคันลองแห่งธรรมนามให้บุคคลเหล่านั้นเป็นคนสวยงามจะเป็นเด็กก็งามเป็นผู้ใหญ่ก็งามเป็นคนแก่คนเฒ่าก็งามเป็นพระเนนชีก็งามไปทั้งหมดเพราะประดับไว้ด้วยศีลแม้เสื้อผ้าอาภรณ์จะขาดกะรกะรุ่งกระเร่งแต่ความเป็นผู้ดี ความมีกายสงบมีวาจาสงบจะสร้างความประทับใจความสนใจความทึ่งให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นสีลังกวจะมะผูตางศีลเป็นเกราะอย่างม า, าจัจรั์นั้นก็แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากความไม่ศิลเป็นการปิดกั้นทางแห่งเวททางแห่งภัยที่จะเกิดขึ้นจากการประทุสรายของบุคคลอื่น จึงกลายเป็นเกราะที่ป้องกันอันตรายเกราะที่ชาวโลกก็ใช้กันนั้นใช้การเพื่อสู้สงครามระจนกับค่าศึกศัตรูแต่ว่าเกราะคือสี่นั้นนอกจากจะป้องกันไม่ให้คนอื่นมาทำอันตรายแล้วยังช่วยให้เป็นเกราะคุ้มครองเวรไภไม่เกิดขึ้นแก่ตน ข้นี้จะเห็นเรื่องความแตกต่างระหว่างเกราะศีลกับเกราะที่ใช้ของทหารในสมัยโบราณเกราะเหล่านั้นเป็นภาระในการนำไปรือประการหนึ่งบุคคลที่สวมเกราะอยู่อาจจะมีความไม่สบายใจวกกวความมิตกกังวลความหวาดกลัวอันตรายได้ แต่ว่าเกลอกคือศีลที่บุคคลมีอยู่จะคุ้มครองใจของบุคคลให้มีความมีตกกังวลความเดือดร้อนความวัตรแวงต่อภัยอันตรายต่างๆและนอกจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงแสดงอานิสงส์ของศีลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันว่าบุคคลผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้ที่มีเกียรติิคุณเป็นที่ยอมรับนักถือของคนทั่วไปเป็นผู้มากด้วยพวกกระสมบัติทั้งหลายในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรทําความเข้าใจอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าคําว่าพวกกสมบัติหรือพวกกระส์แปลว่าวัตถุที่นําความปลื้มใจมาให้แก่บุคคลสิ่งที่ได้มาอย่างถูกต้องตามหลักของศีลธรรมนั้น จะมากหรือน้อยก็ตามเป็นทรัพย์เพราะนําความปลื้มใจมาให้และคนที่สามารถจะได้รับความปลื้มใจจริงๆเราต้องมีการเลี้ยงชีวิตในแนวของสมาชีพือเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ชอบโกงหลอกลวงขอรับชั่นโกงกินบุคคลอื่นมาเลี้ยงชีวิตเรจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะไม่ได้รับความปลื้มใจ แต่จะกลับเป็นความมิตกกังวลเดือดร้อนห่วงใจตนอันตรายต่างๆจากการโจททวงของบุคคลอื่นเป็นต้นการต่อไปก็คือว่าเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่ท่านคราบไม่หวาดกลัวต่อการโถูกโจททวงต่อการตำหนิต่อการนินทาว่าร้ายของบุคคลอื่นเป็นเหมือนฝ่ามือที่ไม่มีแผล พร้อมจะจับศาสตราพร้อมจะจับยาพิษโดยมาหวาดกลัวว่ายาพิษนั้นจะแทรกซึมเข้าไปต่อันตราย่กินไม่หลงทมกาละกิริยาเมื่อทากาละกิริยาคือตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติคุณธรรมประการต่อไปก็คือสุตะซึ่งหมายถึงการศึกษาการสนับตับฟัง การล่าเรียนตาหรับตํานาต่างๆเมื่อพูดโดยสรุปก็คือการเรียนจากประสาทสัมผัสประมากแต่สุตะที่พึงประสงค์ในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นสุตะคือการศึกษาการสะดับสับฟังไม่ว่าจะด้วยตาด้วยหูด้วยจมกูกด้วยลิน้น ด, ด้วยกายก็ตาม ที่ผ่านกระบวนการของการศึกษาคำว่ากระบวนการของการศึกษานั้นก็คือเดินเต็มตลอดสายของการศึกษาในชั้นแรกก็เรียนทางประสาทสัมผัสเป็นการสร้างปัญญาระดับที่เราเรียกว่าสุตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสนับสับนฝังเป็นต้นเมื่อผ่านมาแล้วก็ต้องมีการทรงจำไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถท่องจำยกประโยคประทานเนื้อหาข้อความในแต่ละวักแต่ละตอนซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญชี้แจงให้บุคคลอื่นเข้าใจคนนี้จะพบว่าตามปกติแล้วการศึกษาในปัจจุบันนี้ไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมก็ตามมักจะหยุดอยู่ตรงนี้ เวลามีการสอบถามออกคำถามมาก็มักจะออกความจำเรียนจำได้ก็ตอบได้จำไม่ได้ก็ตอบไม่ได้เราก็ตัดสินกันที่จำมากจำน้อยจริงการศึกษาภาษาบาลีแล้วไปใหญ่เลยอนักทามทั้งบาลีก็เรียกกาเปิดหนังสือออกก็อสอบกันเลยแล้วก็เรียกกาเปิดหนังสือตรวจด้วย เพืนก็อาศัยความจําเพียงอย่างเดียวไม่เป็นการประเทืองปัญญาตามหลักการศึกษาที่ทรงแสดงออกไปสุตตจึงต้องเดินในขั้นต่อไปได้แก่นําเอาเรื่องทั้งสามประการนั้นเรื่องที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเรื่องที่จําว่าเรื่องที่ทรงจําไว้จนถึงท่องได้เข้ามาเพ่งพินิษพิจารณาทั้งหมดไม่จะท่องไปโดยไม่รู้ความหมาย หรือไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ท่องไปนั้นถูกหรือผิดมีเนื้อหาสาระที่แท้จริงอย่างไรอะไรเป็นวัตถุประสงค์เป็นเจตจำนงในการพูดในการสดแสดงเรื่องเหล่านั้นซึ่งก้อนนี้จะพบว่าบางครั้งบางคราวเราก็ท่องกันไปเหมือนนกแก้นอนคขุณทองไม่รู้ว่าจริงก็จริงไม่เคยเอามาคิด ไม่เคยเอามาพินิพิจารณาก็เช่นเดียวกับชนชาวกาลามะที่มีปัญหาในเรื่องของความเชื่อหรือการยึดถือนั่นเองจาได้ได้ยินได้ฟังมามากมายไก่กาๆแต่ไม่เคยเอามาคิดดูมาสวจตรวจสอบดูมาสอดส่องดูวันทีคนนั้นเขาว่าอย่างนั้นคนนี้เขาว่าอย่างนี้นั่นไม่เคยนามาสอดส่องดูว่านทีคนนั้นเขาว่าอย่างนั้นคนนี้เขาว่าอย่างนี้ ถูกหรือผิดอย่างไรดังนั้นการศึกษาประการต่อไปจึงส่งสอนให้หลักของเรียกว่ามานัส า, านุเปกขีตาคือต้องนำมาคิดนำไปนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วก็ตัดสินแยกแยะให้ได้ชัดเจนว่าอะไรผิดอะไรถูกอย่างในปลายพุทธสมัยคือเมื่อพระพุทธเจ้าประนิพนันไปแล้วพระ น, น์เทระได ไ่ยินสามเณรรูปหนึ่งท่านท่องคาถาบอกว่าบุคคลแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้ายังไม่เคยเห็นนกขงทะเลแล้วใช้กระู้คนมีอายุเพียงวันเดียวแต่เห็นนกขงทะเลไม่ได้พระเทระได้ยินข้าวก็ถามว่า <c oughs> เนยไม่ท่องมาจากไหนบอกว่าอาจารย์ก็สอนเอาไว้ ตนบอกก็ไม่ใช่อย่างนั้นภาษิตมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความหมายทั้งหมดไม่เป็นภาษิตอะไรเลยนกของทะเลนั้นดีพิเศษยังไงก็ไม่รู้แล้เห็นแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามนก็เป็นเพียงสัตว์เท่านั้นเองดังนั้นพระเถระจึงบอกปรีดีแท้จริงให้ว่าบุคคลแม้มีอายุตั้งร้อยปี แต่ถ้ายังไม่เห็นความเกิดและความดับแล้วก็สู้คนที่มีอายุเพียงวันเดียวแต่เห็นความเกิดดับไม่ได้เห็นความเกิดดับนั้นเป็นวิปัสนาปัญญาที่เดียวเห็นแล้วมันละกิเลสได้ละความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้ดังนั้นความจำของเนนจึงเป็นจาผิดจาโดยไม่ได้คิดก็ว่ากันไปเป็นนกแก่นกคนทอง มีเรื่องราวเป็นนันมากที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราพูดไปนั้นพูดไปทำไมอะไรคือความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเช่นคราวหนึ่ง ม, ม, ม, นนมีประโยชน์ที่แพร่หลายการส่วนรวมนิยมส่วนตนนี่จงประโยชน์ส่วนรวมจะต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตนคนที่ทำประโยชน์ส่วนตนก่อนชื่อว่าเป็นคนหินแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบสังคมเป็นกา ว, วาสังคมไปหายเข้าป่าไปเลยโดยไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบอะไรเด ว่าในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วเป็นได้ไหมที่คนเราจะต้องทําประโยชน์คนอื่นก่อนจึงมาทําประโยชน์ตนนั้นแน่นอนถ้าวิเคราะห์สวจสอบกันจริงแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่ว่าเทวดาไหนก็ตามแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าเองต้องทําประโยชน์ส่วนพระองค์ก่อนเป็นเวลาถึงหกปีทำพระองค์ให้จัดสรุปมา ก, ก่อนจึงสอนคนอื่นได้ จะเป็นหมอรักษาคนป่วยก็ต้องเรียนเป็นหมอเสียก่อนถึงรักษาคนป่วยได้นั่นคือประโยชน์ตน้นแต่ว่าคนเป็นกำหนดมากก็ท่องกันโดยไม่ได้คิดถึงเหตุถึงผลอะไรและแม้แต่คําท่องที่ว่ากันศ า, าสนาทุกศาสนาดีเหมือนกันศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนดีเท่ากันนั้นคือเจยไม่รู้เข้าป่าไหนไปแล้ว แต่เราก็เอานํามาพูดนํามาท่องกันได้ไม่เคยคิดไม่เคยวิเคราะห์เทียบเคียงคําสอนในศาสนานั้นๆเลยศาสนานั้นสอนให้คนดีแต่ไม่เหมือนกันศาสนานั้นมีความดีแต่ไม่เท่ากันถ้าเท่ากันมันก็เป็นศาสนาเดียวกันแต่เพราะความไม่เท่ากันไม่เสมอกันจึงเป็นต่างศาสนากัน ข้อความเหล่านี้พอเรานามาวิเคราะห์แล้วคือล้มเหลวทั้งประโยคคืออย่างน้อยที่สุดก็คือไม่สมบูรณ์ถ้าว่าจะตัดคำว่าเท่ากันออกก็พอจะฟังได้นิดหน่อยศ า, าสนาสอนใศาสนาทุกศาสนาสอนในคนดีศาสนาทุกศาสนาก็ดีจะดีมากดีน้อยก็คือดีก็แล้วกัน จะมีความรับผิดชอบมีความสมเหตุสมผลมากจริงขึ้นแล้วก็มีอยู่เยอะแยะยกตัวอย่างเช่นคำพูดบางคำนั้นเป็นปรัชญาที่ขมขายภัยรอแต่เราไม่เคยวิเคราะห์เลยว่ามันเหลวเช่นพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสุญญาตาเท่านั้นไม่สอนเรื่องอื่นเลยอย่างเงี้ยไยเราะมากเลยน่าจะจริงแต่เลว ทำไมแล้วเพราะว่าเรื่องเป็นอันมากที่ไม่เกี่ยวกับสุญยตาเลยเก็บสะสมรวบรวมทรัพย์สมบัติกันเลยให้เหมือนกับการก่อตัวของจอมปลวกของเริ่มกันมาทีละนิดเตือนนิดเดียวก็เป็นจอมปลวกใหญ่ให้บุคคลเก็บสะสมรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้เหมือนกับจอมปลวกสร้างสร้างจอมปลวกเหมือนปลวกสร้างจอมปลวกอันนี้ไม่เกี่ยวกับสุญยตาเลยเป็นการเพิ่มพูนก็เลยทำไป ดังนั้นเรื่องการวิเคราะห์สอด ส, ส่องเป็นเรื่องใหญ่มากที่จำเป็นจะต้องใช้อยู่เสมอและที่สำคัญก็คือว่าต้องเข้าใจที่ท่านใช้คำบาลีวัตถิยาสุปฏิวิธาคือแทงตลอดด้วยทิฏฐิความเห็นของตนความรู้นั้นจะต้องเข้าถึงใจลอล้อมเข้ากับใจเราสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาใจที่คนอื่นก็เข้าใจแล้วก็เข้าถึงใจได้ นี่ก็คือความสาเร็จในเรื่องของสุตะชั้นของการศึกษาจริงๆประการต่อไปก็คือเรื่องของจากะที่แปลกันว่าความเสียสละถ้าผู้ฟังได้โปรดเข้าใจว่าจากะนั้นเป็นธรรมะที่หลากหลายบางครั้งมีความหมายสูงบางครั้งมีความหมายต่า บางครั้งมีความหมายเชิงรูปธรรมบางครั้งมีความหมายเชิงนามธรรมาแต่ว่าในจาระะในระดับนี้มีความหมายตามขั้นตอนที่ส่งแสดงผลเอาไว้คือจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลาดับเริ่มต้นมาจากการเสียสละวัตถุพัสดุสิ่งของของตนเป็นการเจือจานเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น โดยจิตคิดอนุเคราะมีความเมตตากรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นทำได้จนเป็นอัตโนมัติเป็นพื้นอัตยาสัยสละไปแล้วไม่มีความเสียดายไม่มีความอาลัยในสิ่งซึ่งตนสละไปเพราะเป็นการฝังทรัพย์อันถาวรอย่างแท้จริงไว้ประการต่อไปคือการสละความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาชีวิต คือการกระทำความดีทั้งหลายนั้นพอคนเริ่มคิดจะทำความดีก็จะมีความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคข้าง ก, กัดขวางบุคคลจะต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์อารมณ์ในขณะนั้นแล้วสละอารมณ์เหล่านั้นออกไปจากจิตใจในชั้นหนึ่งเป็นการสละกิเลสไปเลยจากขะจึงเป็นวัยพน์ของนิพพานโดยปริยายหนึ่งแต่อย่าลืมว่าจากะในชั้นนี้ ก็มีเพียงสองระดับดั่งรางแล้วคือระดับของการสละวัตถุสิ่งของในชั้นหนึ่งที่พูดถึงผลเป็นกรรษัตริย์มหาศาลเป็นพราหมห์มหาศาลเป็นเทวดาชั้นต่างๆเรื่อยไปส่วนมากแล้วก็จะเน้นไปในด้านการสละสิ่งของเพื่ออนุเคราะห์ก็ตามเพื่อบูชาก็ตามประการสุดท้ายก็คือปัญญา ปัญญาในชั้นนี้ก็ไต่อันดับขึ้นไปจากความสามารถรู้เหตุผลต่างๆโดยสายการศึกษาการพิิจารณาในการลงมือประพฤติกระทาบำําเพ็ญจนถึงปัญญาที่รู้เห็นความเกิดดับของสิ่งต่างๆ ปัญญาที่จำจำแรกแจกแจ๊สิ่งเหล่านั้นซึ่งเกาะลุมกันจูให้เห็นถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่งางไรธรรมะทั้ง5ประการนี้จึงเป็นธรรมที่ทาคนให้เป็นกษัตริย์ให้เป็นพรามให้เป็นเทวดาชั้นต่างๆจนถึงชั้นสุดท้ายคือชั้นที่หก ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตไว้ว่าในที่นี้ไม่ได้แสดงเทวดาชั้นจาตูมาราชเอาไว้กว่าจะต่ำเกินไปและปริมาณของธรรมะทั้งสีทั้งห้าประการนี้ก็คงจะไม่ต้องเข้มข้นเกินไปและในตอนต่อไปก็ทรงแสดงว่าคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้ง5้าประการเหล่านี้ถ้ามีความปรารถนา จะทำยังไงนะเมื่อเราตายไปแล้วจะได้เป็นสหายของกรรษัตริย์มหาศาลของพระมหาสารหรือเครือดีมหาศารก็ขอให้เธอตั้งจิตนั้นโปรดสังเกตว่าตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นตั้งจิตนั้นก็คือเจตจํานงของตน ที่หวังผลจะเป็นพราหมณ์เป็นกรรษัตริย์มหาศาลเป็นพระมหาศาลเป็นเครือบดีมหาศาลเป็นเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นฤาษีชันช้นนิมมาราดีชั้นปรินิมิตวัสสวัสดีจะต้องตั้งจิตเอาไว้ว่าต้องการจะเป็นอะไรไม่ใช่ตั้งจิตอย่างเดียวต้องอธิษฐานจิตให้มั่นคงด้วยอธิษฐานจิตให้มั่นคงมุ่งหวังความเป็นอย่างนั้น และเจริญจิตนั้นเจริญจิตนั้นคือจิตอะไรจิตที่อยากจะเป็นจิตที่ต้องการจะเป็นปามเป็นกษัตริย์เป็น ก, นกบอดีเป็นเทวดาชั้นต่างๆทําทจิตให้เจริญด้วยอะไรจะเริญด้วยธรรมะธรรมะไหนธรรมะหประการนั้นซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าธรรมะระดับสตาศีนจะสุตะจักขะปัญญาระดับหนึ่งก็ จ, จะทําให้เป็นกษัตริย์มหาศารได้แต่เป็นเทวดาไม่ได้ ก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นในแต่ละจุดขึ้นของศรัทธาของศีลของสุตะของจาระของปัญญาคุณภาพของจิตแห่งบุคคลนั้นก็จะสูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับและในที่สุดก็จะสมตามความปรารถนาแต่มีข้อแม้นะฮะมีข้อแม้ในเชิงเหตุเพราะไปยืนยันผลไว้ออกจัากชะบกันทีเดียว จึงทรงแสดงว่าความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้มีสองประเด็นประเด็นแรกคือความปรารถนาความปรารถนาจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นเครือปนดีที่มหาศารเป็นเทวดาเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันคือวิหารธรรมวิหารธรรมคืออะไรวิหารธรรมแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่ ธรรมะอะไรเป็นเครื่องอยู่เป็นหลักของชีวิตเป็นหลักของจิตใจได้แก่ธรรมหประการนั่นเองซึ่งก็หมายว่าความว่าถึงจุดนี้ความหมายของธรรมะก็มีความเข้มข้นสูงขึ้นแปลว่าสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยการศึกษาสดับจับฟังสมบูรณ์ด้วยความเสียสละสมบูรณ์ด้วยปัญญาแต่ความสมบูรณ์นั้นมันก็แต่ละจุดอีกและ จุดหนึ่งก็ทําให้ได้ผลอย่างหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็ทําให้ได้ผลอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นไปเรื่อยๆและที่น่าสังเกตก็คือว่าได้ทรงยืนยันว่าเมื่อเราตั้งจิตอย่างนี้ตั้งความปรารถนาอย่างนี้มีคุณธรรมอย่างนี้อย่าลืมว่าเป็นเหตุเป็นผลกันต้องมีพื้นฐานธรรมะเหล่านี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาเป็นอย่างนั้นถ้ามีพร้อมกันสองอย่างนี้ และทําให้มากแล้วคือต้องทําให้มากด้วยทั้งสองอย่างคือความปรารถนาก็ต้องปรารถนามากเอ่ปริมาณของธรรมะทั้งห้าข้อนั้นก็ต้องจเจริญขึ้นมากทรงยืนยันว่าย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นๆภาวะนั้นคืออะไรคือภาวะของกษัต ร, ริย์มหาสาลพรามาสารฤๅษีพระดีม้าสารเทวดาชันดาบดึงเป็นตน้น แล้วส่งสแสดงข้็สรุปว่าดูกรภิกษุทั้งหลายนี้คือมรรคนี้คือปฏิปทามรรคก็คือทางดําเนินปฏิปทาก็คือทางข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปอันเป็นไปเพื่อความสมําเร็จของบุคคลเหล่านั้นในฐานะต่ า, างๆและจากจุดนี้เองท่านผู้ฟังก็จะพบอีกแนวหนึ่งได้แก่เรื่องของการอธิษฐานสมัยนี้คนก็เก่งกันมาก เรทำบุญไม่ต้องอธิษฐานอาธิษฐานเป็นโลภะอาตมาเองยังไม่เคยพบหลักฐานที่ไหนนะที่เขาห้ามอาธิษฐานแต่ถ้าพูดเราเองเป็นนกแก้วนกะขุนทองไปฟังใครมาพูดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในบาลีไม่มีไม่เคยพบในพระใจผิดก พ, พระพุทธเจ้าทำบุญในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์อธิษฐานเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทุกครั้งเลยอธิษฐานนั้นก็คือการตั้งจิตนี้ การอธิษฐานจิตนี้การเจริญจิตนี้อย่างที่ทรงแสดงต้องมีเจ็ดจำนงคนเรานั้นจะทำอะไรจะต้องมีป้าหมายอย่าลืมว่าเป็นการแสดงอย่างมีเหตุมีผลธรรมะทั้งสี่ทั้งห้าประการนี้เหมือนอะไรเหมือนกระทรับคนต้องการจะเป็นเศรษฐีแต่ไม่มีทรัพย์เลยเป็นไม่ได้เป็นยังไงก็เป็นไม่ได้ จำเป็นจะต้องสร้างตัวเหตุขึ้นก่อนที่ให้เป็นเศรษฐีหรือคนที่จะเป็นครูก็ต้องสร้างความรู้ขึ้นมาก่อนแล้วจะสมหวังเป็นครูเพราะะ น, นตัวความรู้ก็ดีตัวทรัพย์ก็ดีเป็นมรรคหรือเป็นปฏิปทาที่จะนำคนให้ได้เป็นเศรษฐีเป็นครูหรือเป็นอะไรก็ตามแต่จะต้องมีการทำด้วยความปรารถนาก็คล้ายๆกับเราจะเดินทางไปไหนเราก็ตั้งใจไปในทางนั้น ที่ทงใช้คำโดยถนนมาเลยว่าเธอต้องตั้งจิตนี้อธิษฐานจิตนี้จเจริญจิตนี้ให้มีความสัมพันธ์กันไมจะไปะตั้งใจจะนคปรปฐมขับรถไปได้หน่อยเยไม่ไปเพราะอะไรเพราะไม่จเจริญไม่อธิษฐานใจใจไม่มั่นคงโลเลจะเลี้ยวซ้ายก็ไม่เลี้ยวขวาก็ไม่เลี้ยวเลยชนโครมเลยเพราะใจไม่มั่นคงไม่รู้จะไปไหนดีจะข้ามถนนนวลทางนั้นใจก็ต้องอธิษฐานใจคือใจจะต้องมั่นคงว่าข้ามคือข้ามเลย ตัดสินใจข้ามเลยข้ามไม่ใช่ว่าก้าวไปถอยหลังมั่งก้าวหน้ามั่งในสุดก ร, ระชนพอดีดังนั้นเรื่องของการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเป็นการตั้งจิตนี้ลงไปเป็นการอธิษฐานจิตนี้ลงไปแล้วก็ทําให้จิตที่มุ่งมา่ปรารถนาเหล่านั้นมีความเจริญขึ้นในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องด้วยอาศัยการกระทํา ความเพียรพยายามปฏิบัติธรรมเหล่านี้เป็นหลักของใจที่ทรงใช้คำว่าวิหารธรรมก็อิงอาศัยการระหว่างเหตุกับผลเมื่อเหตุเพิ่มขึ้นผลก็จะเพิ่มขึ้นและทรงแสดงโดยนัยเดียวกันนี้มาถึงระดับของเทวดาแต่พอมาถึงระดับของพรหมเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกคือไม่ได้ทรงเรียกพรหมในแนวที่เราเคยชินกันทรงใช้คําว่า ปฏิบัาเพื่อเป็นสหัสสพรมปฏิบัาเพื่อเป็นทวิสหัส์สพรมเรื่อยมาติสตรสสพรมเจตุสตัสสพรมปัญจสหัสญญสพรมคือพรมที่มีรัศมีแผ่ไปนะปลายไปเป็นพันสองพ0นสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยคือแปรไปได้ไกลแล้วก็รงเรียงลำดับมาเรื่อยเลยเรื่องการแผ่รัศมีไปของพรมนั้น จนถึงกับอะไรทะ ส, ะ ส, สสะหัตสพรมแปลพรมที่มีรัศมีแผ่ไปในอะไรละ่ะหมื่นโลกธาตุคือแผ่ไปได้ไกลามากแล้วจากนั้นก็เต็มสดิสะตะสะหัต ส, สะเลยแสนเลยแสนโลกธาตุในข้อนี้ส่งแสดงว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสตะสหัตสพรมคือสะตะสะหัสพร ม, ะะะพรมนี่พรมที่ มีรัศมีคือน้อมจิตแผ่ไปในโล ก, กธาตุแสนหนึ่งแม่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในสตัสสารสพรมนั้นก็ย่อมแผ่จิตแผ่ไปอยู่ได้ดูกอนวิศูทั้งหลายเปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุษที่เขาหลอมด้วยความสำเนียงํำนานดีในบ้าวของช่างทองผู้ฉลาดหวังไว้เบิดผ้ากำพลสีเหลืองก็ย่อมส่องแสงไพรโรดสันใดพวกพรมที่แผ่รัศมีหนึ่งแสงก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเชนั้น แล้วทรงแสดงโดยแนวเดียวกันว่าเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้นความปรารถนาและธรรมะเป็นหลักใจของเธอเหล่านั้ น, น, นเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ก็ทำให้มากแล้วอย่างนี้ก็จะทำให้ได้ผลดังกล่านั้นโดยอาศัยธรรมะเพียงห้าข้อนั้นดีกล่าวแล้วแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยนะขึ้นไปเรื่อยไปขึ้นไปอาภาสามชั้น คือพรมที่มีรัศมีรุ่งเรืองสามชัน้นแล้วขึ้นไปถึงสุภาอีกสาชัน้นคือพรมที่รัศมีสวยงามมากแล้วก็สุภากินหาที่มีอายุยืนมีวันณะมากด้วยความสุขแล้วก็ไปเบหับปปาราไปอวิหะตะปาสุทัสสาสุทัสสีอากาิาิฐาคือไปเรียกว่าสุทาวาทหาชัน้นเป็นพระนาคามีจากนั้นก็พูดถึงอรูปภพอีกสี่ จนถึงอะไรจนถึงอาศัยธรรมะเหล่านี้ที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นแล้วจเจริญขึ้นโดยลำดับในตอนสุดท้ายของพระสูตรได้ทรงสรุปว่าดูกนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกคือภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสตานสุตตะจาคะัญญา จะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเชไหนหนอเราพึงเข้าถึงเจโต ว, วิมุตต์คือใจที่หลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสทั้งหลายด้วยการปฏิบัติให้สมบูรณ์ตามแนวของสมถกรรมฐานและปัญญาวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นด้วยปัญญาอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนถึงอะไรจนถึงหาอาสวะไม่ได้คือไม่มีอาสวะ prasawa สิ้นไปทําให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนในปัจจุบันอยู่เธอจึงเข้าถึงเจตุลมุตตปัญญาวิมุตไปในปัจจุบันก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นถึงภาวะของนิพพานและจากจุดนี้เองท่านผู้ฟังจะพบหลักซึ่งเป็นพระพุทธวจนะอีกข้อหนึ่งคืออะไร คือผลจากการบาเพ็ญเพียรโดยอาศัยศีลสมาโดยอาศัยศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาเป็นฐานแล้วก็เข้าสูตรอย่าลืมเรื่องเข้าสูตรทีเดียวว่าบรรดากุศลและธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งที่บุคคลเริ่มประพฤติเรื่องกระทําบาเพ็ญแล้วไอ้ความดีเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นกว่าความเข้มข้นของศรัท ธ, ธาของศีลสุตะาจะค้าปัญญาก่าเข้มข้นขึ้นเนี่ยแต่ละอย่างก็กระจายตัวเองลงไปเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาแห่งธรรมะในชั้นนั้นๆเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นมรรคเป็นผลเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานซึ่งขึ้นไปนโดยลาดับและผลสุดท้ายก็ทรงแสดงว่า ท่านที่บรรลุจนถึงปัญญาวิมรุษเนี้ยหมดสิ้นอาสวะไปแล้วทาให้แจ้งพระรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่ดูก่อนภิกษุทางหลายภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ น, นี่คือประเด็นประเด็นที่จะต้องจับไว้เวลานี้มีคนเก่งเกิดขึ้นเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองบางทีก็เรียนมาจากอะไรพระวิญญาณบริสุทธ์ตั้งสิสีห้าปีบ้ง บางคนก็บอกว่าดิฉันอวตารมาจากพระลักษมีจากสวงสวรรค์บ้างบางคนก็มาเป็นตัวแทนจากสวรรค์อะไรวุ่นไปหมดเลยแล้วบางคนยิ่งไปกว่านั้นก็คือ น, นําไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันแล้วที่หน้าเอ็นดูกระจุ้มกระจิมหน้าสงสารมากที่สุดวันก่อนนี้ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าไอ้พวกนั่งทางในเขานั่งทางในแล้วก็เห็น อกเออพระพุทธเจ้ากับพระเยซูเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกันนี่ฮะเป็นเรื่องที่น่าสงสารที่สุดเลยนั่งทางในนะผีหลอกมาตั้งแต่ต้นแล้วจะเห็นได้อย่างไงในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดในที่ไหนแล้วคนเรานั้นไม่ว่าใครก็ตามถ้าหมดอาสวะเรียกว่าบารรลุอาสวะก็ยังทรงยืนยันเนี่ยภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหน เพรพบอย่าลืมเรื่องพบพ่าพบนั้นมีอยู่สามพบคือการมาพบพบที่สิ่งมีชีวิตในที่นั้นยังเสพการอยู่รูปประพบนั้นไม่มีผู้หญิงผู้ชายเป็นพรมอารูปประพบนั้นไม่มีรูปพบมีเท่านั้นไม่มีพบที่สี่อโลกุตระเขาไม่เรียกว่าพบคือไม่เรียกที่อยู่ของของสัตว์เรียกว่าผุ่มเรียกว่าโลกุตระผุ่ม วั น, wing, วนถ้าจะเรียกว่าภูมิแล้วเป็นชั้นจิตกามาวัจรภูมิจิตที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในการรู ป, ปาวจรภูมิจิตที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในรูปอรูปาวจรภูมิจิตที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในอรูปฌานโลกกตระภูมิจิตที่พ้นจากภูมิพ้นจากโลกพ้นจากภพต่าง ดังนั้นใครคิดว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองนั้นมีอาจารย์องค์นั้นไปอยู่กับพระพุทธเจ้านั้นให้รู้เถิดว่าเป็นพรามไปเรียบร้อยแล้วไม่มีหรอกในพระพุทธศาสนาอย่างดีก็แค่เป็นเชน่นพระพุทธเจ้าได้แสดงฐานะของพระองค์โดยเปิดเผยเลยตั้งแต่สัจรู้แล้วตั้งแต่ปฐมเทศนาแล้ว พอพระองค์จัดสรุปปั๊บนั้นประญาณบังเกิดขึ้นแก่พระองค์เลยว่าก็แลญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าอายมันติมาชาติการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเ็าเรียกว่าอันติมาสเีโรคือมีร่างกายเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ก่อเป็นรูปกายขึ้นมาอีกแล้วนัตถิดาณิปุณหะ พ, พบหม่ไม่มีอีกแล้ว นั่นคือพระพุทธเจ้านั่นคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายปันถ้ายังอยากจะเกิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องมุ่งมรรคผลนิพพานอะไรที่จริงถ้ามุ่งมรรคผลนิพพานกันมากๆ ก, ก็ดีเพราะเวลานี้ก็มีการพยายามคุมกําเนิดวางแผนครอบครัวกันอยู่แล้วก็มีคนมรรลุมรรคผลนิพพานไปได้มันก็เป็นการช่วยลดจํานวนประชากรโลกไปด้วยในตัวตัวเองก็ไม่ถูกกระแสสังสารวัฏพาดพามาให้ประจนกับความทุกข์อีกต่อไป สังขารูปฏิสูตรนี้จะเห็นได้ว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลเป็นกริย์มหาศารพรามมหาสา ร, ร, าสารเครื่องบดีมาสารเรื่อยไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยอาศัยธรรมะเพียงห้าข้อ่ะลืมว่าห้าข้อเหล่านี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเพิ่มข้ออื่นๆขึ้นเอง เหมือนกับท่านทั้งหลายอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายพอร่างร่างกายสะอาดแล้วต่อจากนั้นก็จะมีความสะอาดเพิ่มขึ้นการแผ่ไปโดยรัศมีของพรมเหล่านั้นประทฐานอาจารย์ท่านแสดงว่าแผ่ไปด้วยจิตคือจิตที่แผ่ไปได้จิตแผ่ไปได้นี้ชาวบ้านเองก็แผ่ไปได้แย่เหมือนกันแผ่ไปด้วยกสิณ คือหมายความว่าเจริญกระสินแล้วก็อาศัยกสินต่างๆในแผ่ไปเห็นว่าเตโชกสินวาโยกสินแผ่ไปรูปลมรูปไฟเป็นแสงเป็นสีต่างๆแป่ไปด้วยทิปจักษุคือเห็นด้วยทิปจักษุเห็นได้ไกลๆแผ่ไปด้วยแสงสว่างเป็นรัศมีที่บังเกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล น, นั่นเองและแผ่ไปด้วยส ร, รีระคือหมายความว่า ร่างกายของบุคคลนั้นไปในที่นั้นนันดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปทาทั้ง5ประการเหล่านี้ก็เป็นฐานใหญ่ของใจที่ทําให้บุคคล ป, ปฏิบัติกศีลทำสมาบัติทั้งหลายเกิดขึ้นจากนั้นก็บังเกิดในพรหมโลกที่มีรูปแล้วก็ทำให้รูปประาำก็บังเกิดในรูปประรม จเจริญมีปัศนามีสมาบัติหรือสมาธิเป็นพื้นฐานก็ทำให้บรรลุอนาคามีมก็บังเกิดในสุทธาวาสแล้วเมื่อจเจริญมากใึ้สูงขึ้นก็หมดสิ้นอาสวะหยุดการเกิด น, นี่คือสังขารูปปฏิสูตรเป็นประสูติที่ทำให้บุคคลสมความปรารถนาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นปฏิปทาที่ทาให้คนเราเป็นเทวดา เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นเครือ บ, บดีเป็นพรหมกันในชีวิตปัจจุบันนี้นะด้วยไรด้วยการเพิ่มภูลกองแห่งธรรมทั้ง5ประการให้สูงขึ้นภายในจิตใจของตนมีศรัทธาสูงขึ้นมีศีลประนีตขึ้นมีการศึกษาสดัตวกฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เดินให้เต็มตามกระบวนการของการศึกษาดังกล่าวมีความเสียสละ ต, ตั้งแต่วัดตั้งแต่วัตถุไปจนถึงสละ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ7จตจำนงของตนจนถึงสละกิเลสแล้วก็มีปัญญาที่ประณีตรู้แจ้งแทงตลอดขึ้นไปโดยลําดับจนเป็นสมบัติปัญญาหรือวิปัสนาปัญญาสามารถถ่ายถอนความยึดความติดต่างๆลงไปได้ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการมีธรรมทั้ง5ประการนี้บุคคลสามารถสัมผัสได้ในระดับนั้นๆตามสมควรแก่เหตุคือธรรมะ ที่บุคคลได้ประกอบประธรรมบำเพ็ญสร้างขึ้นภายในจิตใจของตนตั้งฟังทั้งหนายละการบรรยายพระสูตรในวันนี้ขอขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศ ร, รีรัตนตรัรยได้โปรโดดลบรรดาอภิบาลรักษาท่านผู้ฟังให้ประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศโกโรคภัยในความก้าวหน้าความสาเร็จในชีวิตในการงาน ในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วตลอดกาลนานเธอ